และทัศ น, นชีวิตนะครับผมพสิดินทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องพระธนใจจะก็มาถึงคุณของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์ข่าว่าอุชุปฏิปันโน ก็เป็นผู้ปฏิบัติตรงคือว่าปฏิบัติไม่คดถือว่าเป็นทางสายหยอนที่เรียกว่าการมสัสนิการนุโยกแล้วก็ทางสายตึงเกินไปที่เรียกว่าอัตกิลามานุโยกก็เป็นคนไม่โออวดไม่มีมายาไม่เจ้าเล่ ไมโอวดไม่เจ้าเล่ห์หรืว่าไม่มีมายาซาไทยแต่วันนั้นผมเกินไว้ว่าจะเล่านิทานเรื่องนกอย่างเจ้าเล่กับดาบดเจ้าเล่ห์เรื่องนกอย่างเจ้าเล่เเลเ ก, เเลก่อนนะครับตับเป็นคนเจ้าเล่นี่เป็นอย่างไรในบึงใหญ่แสงเด็กถึงหน้าแรงร้อนจัดน้ําแห้งไปมากก็เหลือแต่น้ําเล็ดน้อย เจ้าปลาก็มากก็มาชุมนมกันว่าจะทำอย่างไรดีเพราะว่าน้ามันจะแห้งหมดแล้วแล้วก็มีนกอย่างเจ้าเล็กไปยืนยืนหลับตาอยู่ริมบึงแล้วก็มีปลากล่าตัวหนึ่งก็มาคุยกับนกอย่างบอกว่าตอนนี้น้ากำลังแหงกำลังจะแห้งพวกเรากำลังจะตายหมด ถ้าลุงนกย่างจะช่วยเหลือบ้างก็จะดีจะทำอย่างไรดีถ้าช่วยพาพวกเราไปที่บึงใหญ่ที่มีน้ำหรือทะเลสาบอะไรก็ได้นกย่างก็บอกว่าพวกเองอย่ามากวนข้าข้ากำลังหลับตาภาวนาจำศีลจำศีลภาวนาหลับตาอยู่พวกเองอย่ามากวนข้าปลาก็หายไป อีกวันทองวันก็มาอ้อนบอนก็นกยางก็คงตอบอย่างนั้นแต่ก็ครั้งที่สามนกยางก็ทาทีเป็นว่าเหลือที่จะขัดหรือว่ า, เ, าเห็นแก่พวกปลาที่จะตายกันหมดก็ อ, อดสงสารไม่ได้ก็เอว่าไทยยางนั้นก็ข้าจะช่วยเหลือพวกเองก็จะพาไปที่ทะเลสาบ ปลาก็เต็มใจอยู่แล้วค่อยๆพาไปทีละตัวสงตัวไปกินที่ต้นไม้ใหญ่ที่ข้าครบใหม่ต้นไม้ใหญ่ข้าครบใหม่ปลาพวกนั้นก็เลยี่นาไปแทนที่ว่าจะอดทนอยู่ได้จนกว่าจะถึงหน้าฝนและก็กลัวกลัวที่จะตายกันไปหมดบางทีก็ถ้าอดทนไปอีกสักหน่อยก็ถึงหน้าฝนก็คงจะพอรอดได้ อันนี้ก็ไปไว้ใจนกอกจากเจ้าเล่ห์แล้วเขใครจะรู้ใครจะรู้ว่าแต่นกย่างจะเจ้าเล่ห์ถึงขนาดนั้นทําเป็นจําศีลภาวนาปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล้าแต่ที่แท้ก็คือเป็นมายา่านั่นเองเป็นเจ้าเล่ห์นั่นเองอันนี้ก็เป็นนิทานนะครับแต่ว่ามันสอนใจได้ถ้าเป็นอุดมคติพวกนี้เขาเรียก ว, ว่าพวกนอมเมตินอมเมติบไซส์ ศาสตร์ที่ว่าด้วยนมิติว่าด้วยอุดมคติหรือว่าติธรรมเอาไว้เพราะฉะนั้นคติธรรมมันจะหายไปหมดเพราะเด็กหรือว่าผู้ที่ยังอ่อนต่อการศึกษาเนีเราจะได้ความรู้มากจากพวกนิทานแล้วผู้ใหญ่ยังชอบเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กก็จําเด็กเล็กๆ เ, เ, เน่ย เ, เรียนหนังสือไปเรียนหนังสือว่าครูบอกว่าเงียบเงียบจะเล่านิทานให้ฟังเงียบคุนไปหมดหูพึ่ง ให้เขาฟังนิทานไอ้พวกนี้มันเป็นนเปรีบไซส์ถ้าเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยอุดมคติถ้าเป็นอาโพสิตรีบไซส์ศาสตร์ที่ว่าด้วยความจริงเช่นวิทยาศาสตร์อะไมาพิจารณาเนี่ยเขารับไม่ได้ศาสตร์ที่เป็นโพสิตรีบที่เป็นว่าด้วยความเป็นจริงว่าด้วยแฟกเรื่องพวกนี้นักวิทยาศาสตร์จะรับไม่ได้บอกว่ามันไม่เ ป, เป็นจริงไม่ได้นอกพูดกับปลานี่ไม่มีหรอก บางทีก็นกมาพูดกับคนก็มีช้างเทศสอนพระราชาก็มีสุนัขเข้าไปในวังไปเทศสอนพระราชาก็มีนิทานแต่ว่าในนั้นแหละมันมีเพชรอยู่มีทองอยู่ก็เอาผ้าขีริ้วห่อเอาไว้เพื่อจะได้ขติจํานิทานแล้วได้ขติเพราะฉะนัก็คนเราก็เหมือนกันบางทีก็ไปตกเต้นเยื่อของคนเจ้าเล่ ไม่ซื่ตรงคนพวกนั้นไม่อุชุปฏิปันโนไม่ปฏิบัติตรงแต่ ว, ว่าเป็นคนคดคดในข้ององในกระดูแล้วก็เป็นคนเจ้าเล่ยทีนี้ก็ลองดูเรื่องตาบดเจ้าเล่ยก็ไปฉันที่บ้านของกุฎุมพีเป็นประจําเขาก็เลื่อมใสามากอ่ะเพราว่าเลื่อมใสในมารยาทปีญะวาจาแล้วก็ดีทีนี้ก็ คพี่หรือคนมีทรัพย์นี่ก็ไปเอาทองไปฝังไว้เอาทองไปฝากเขาไว้ที่อาสมก็นึกว่าปลอดภัยก็เมื่อก่อนนี่เขาไม่มีธนาคารต้อเอาฝากก็เอาไปฝังเอาไว้บ้างอะไรไว้ตังก็เอาไปฝังไวต้ตาสมหรือสีก็นึกว่าปลอดภัยตาบดก็เกิดโลภะขึ้นเกิดโลคขึ้นจะมาฉนานกินนาหารที่บ้านของ กุดุมพีทุกวันเอ๊ทองแท่งนี้พอจะเลี้ยงชีพได้ก็ก็คิดว่าเอาไปก็คงเลี้ยงชีพได้ก็เตรียมการเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันหนึ่งก็ไปบอกลากุดุมพีบอกว่าธรรมดานักบวชนักทศอยู่ที่เดียวนานก็ไม่ดีอยากจะย้ายที่อยู่บ้างก็ไปจาริกไปในที่อื่น คุดมพีก็เริ่มใส่อ้อนวอนอยากไปเลยขออยู่ที่นี่เถอะเป็นเนื้อนาบุญของเขาเขาจะได้บำเพ็ญบุอ้อนวอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังไม่ยอมก็ลาไปคุณดมพีก็ก็จําใจก็ต้องไปส่งส่งไปแค่แค่ชายคาบ้านส้กครู่หนึ่งก็เดินกลับมาอุณดมพีก็ถามว่าผ่านเดินกลับมามีอะไรหรือว่ากลับหรือว่าเปลี่ยนใจแล้วก็ บอกว่าเขาไม่มีอะไรตอนที่เดินไปก็มีเส้นยาเส้นหนึ่งตกลงมาที่ชดาก็เอาเส้นยามาคืนกุดุมพีก็ยิ่งเลื่อมส่ใหญ่โอ้ก็ขุนเจ้าของเราน่าเลื่อมส่จริงจริงน่าเลื่อมส่จริงจริงแม้แต่เพียงเส้นยาเส้นเดียวก็เอามาคืนก็พอดีใายเสร็จแล้วก็เดินไปกลับไปก็พอดีมีบัณฑิตบรรุษผู้เป็นบัณฑิต มาอยู่ที่นั่นเดินผ่านมาทางนั้นมาพบเหตุการณ์เห็นผิดสังเกตเอ๊ะมันเกินไปนะไอเส้นหญ้าที่ใช้กาตกลงมาที่เอชะดายัางเอามาคืนนี่ให้มันเกินไปเหรอมันเคร่งเกินไปก็เลยถามคุณดุลพีว่าฝากอะไรไว้บ้างหรือเปล่า จ, าจาัาบยาปวดเก็บอกฝากทองเอาไว้ริ่มใหญ่เออรีบไปกันเถอะสงสัยทองจะหายแน่ กะรีไปกันเอกไปกันก็ไปทันพอดีกาลังกําลังขนท้องอยู่กําลังเอาท้องไปจะหนีไปอยู่ให้จับได้การอังกาเก่าอ่ช่วยกันช่วยกันด่าช่วยกันว่าช่วยกันสร้างซ้อนดาปดเจ้าเล่เจเล่ก็เรื่องทํานองนี้ก็มีเล่าเยอะนะครับมีเล่าเยอะแต่ว่าเอามาพอเป็นตัวอย่างสองเรื่องเรื่องสัตว์เรื่องคนอะอย่างนี้ก็ จะเห็นความเจ้าเล่ห์ของคนโดยของสัตว์บังที่อทาอะไรเกินไปหรือว่าเคร่งเกินไปไม่พอดีไม่พอดีมดนันก็น่าจะมีเล่ห์ไหนอะไรอยู่ทำนองนั่นนะฮะทำนองนั้นอันนี้นก็ถ้าเป็นคนที่สุขเป็นคนอุชุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเขาก็จะไม่ไม่คดในข้องอในประตู ไม่เจ้าเล่ห์ไม่อ้วดมายากับสาไทยนี่มันจะมาคู่กันมายามายาเจ้าเลสห์ซาเทียอ้วนนี้ก็ผู้ที่เป็นพระสงฆ์อพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้อุชุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงอยางนี้เป็นผู้ปฏิบัติตรงไม่มีมายาไม่มีเจ้าเลทีนี้ก็ต่อไปนะครับ ก็ต่อไปก็คือญาญะปฏิปันโนญาญะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้จำตัวแปลว่าปฏิบัติเพื่อญายะธรรมญายะธรรมนี่ท่านหมายถึงนิพพานญาญะญาญะธรรมท่านหมายถึงนิพพาน น, า น, านิพพานปฏิบัติเพื่อนิพพานหรือว่าเพื่อดับกิเลสและกองทุกตั้งแต่ทุกน้อยไปจนถึงทุกมากกิเลสน้อยไปจนถึงกิเลสมาก หรือว่าบันเทามันลงขัดเกาให้เบาบางให้เบาบางไปวันละเล็กวันละน้อยที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกมันว่าด้ามมีดด้ามมีดหรือว่าคอสากชาวนาชาวนาที่เขาตำข้าวเขาจับคอสากทุกวันคอสากมันก็สึกไปตามวเวลาที่ผ่านไปด้ามมีดมันก็สึกไปสึกไปคมมีดก็สึกไป ตามวันเวลาที่ผ่านไปการปฏิบัติไปเพื่อการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกเพลิงกิเลสดับลงมากเท่าไหร่เพลิงทุกก็ดับลงมากเท่านั้นความร้อนกิเลสมันเป็นความร้อนความร้อนมันดับลงมากเท่าไหร่ความเย็นก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้นสมัยของเราที่เป็นอยู่เวลา น, นี้มันเป็นสมัยไอทีไอที ไอทีนี่ก็คืออะไรอิน m a เมชันเทคโนโลยีมันข่าวสารข้อมูลมีเทคโนโลยีทางข่าวสารข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยทำให้พระสงค์ของเราบางส่วนห่างเหินจากพระนิพพานออกไปห่างไกลจากพระนิพพานออกไปคือว่าไม่ยาญยาฏิปัิปโน็มัวไปวุ่นวายอยู่กับไอทีอ IT. ไปวุ่นวายอยู่กับข่าวสารข้อมูลมากขึ้นไปบางทีก็มากขึ้นไปเียยิ่งมากก็ยิ่งข้ามัวสับสนยิ่งมากยิ่งข้าหมัวสับสนไอทีเนี่ยก็ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมามากเหมือนกันคมันกลายเป็นว่าเป็น Information Anxiety วิตกกังวลเกี่ยวกับ ข่าวสารข้อมูลก็จะรู้ไม่ทันก็จะไม่ทันสมัยก็จะพูดอะไรก็เขาไม่รู้เรื่องภาวะจิตก็จะวนเวายนก็ข่าวสารข้อมูลเราเรียกสังคมสมัยนี้ว่าเป็นยินคอมเมเดียนโซซเอสังคมข่าวสารข้อมูลแต่ที่พอมีมากข่าวมากข้าวมันก็กลายเป็น i n f o r m a t i o n องส์ไซตี้คือว่ามันเกิดวิตกกังวลเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลไปต่างๆนั่นนะเห็นว่าข่าวสารเรื่องโลกจะแตกเร่าลีกันมาอย่างไรเรื่องข่าวสารเรื่องโลกจะแตกน้าจะท่วมโลกเขาต้องกระเสือกกระสนกระทำอะไรทั้งๆให้มันทันให้มันทันก่อนที่ก่อนที่โลกจะแตก ด้วยความเื้นตกใจอันข้อมูลอานหนังสือผิดหานเาฟังอะไรต่ออะไรก็เอะสมองก็ลาขาดแค้นเวลาก็ขาดแคนทำาไงดีทีนี้ก็ก็เลยคนทั้งหลายก็รับขาวสารข้อมูลโดยโดยไม่ค่อยพิจารณารับมีอะไรมาก็รับมีอะไรมาก็รับไว้ก็เลยถูกขับจูงได้ง่ายถูกหลอกได้ง่าย เป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพก็โดยกาวสารข้อมูลนั่นแหละเป็นเหือของพวกมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการสั่งข้อมูลมากเกินไปนี่มันทำให้ข้ามัวสับสนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพภาคเจ้าเขาไม่ต้องรู้อะไรมากนักก็ได้ ไม่ต้องไปรู้อะไรมากไอที่มันทันสมัยมากอะไรก็ได้รู้ธรรมะรู้ธรรมะให้มากจาอลึกให้มากเพื่านำธรรมะในส่วนลึกมาสอนพุทธบริษัทแารนำพุทธบริษัทไปสู่ทางตรงนำพุทธบริษัทไปยังทางตรงท่านนี้ก็พอท่าวนี้ก็พอ ท่านสังเกตท่เพื่อนานสังเกตจะพบ ว, ว่าชาวพุทธส่วนมากเนีครับหลงทางชาวพุทธส่วนมากหลงทางไม่รู้จะไปทางไหนสับส น, บนปนเปวุ่นวายไม่หันเรียนขวางไม่รู้จะไปทางไหนคนน้นชักไปทีคนนี้ชักไปทีเพราะว่าไม่มีพื้นฐานความรู้ทางพุทธศาสนาให้แม่นยำหนักแน่นที่เมื่อเป็นอย่างนี้ในสภาพการอย่างนี้ ถ้าเพื่อพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้นำสังคมหรือผู้นำสังคมในระดับต่างๆแม้จะไม่เป็นพระสงฆ์ก็ตามนะครับคนที่อยู่ในฐานะเป็นผู้นำสังคมแลก็เป็นมักคุตเทศที่หลงทางใจเองด้วยะจะทำอย่างไรกาหลงนึกดตูวมันจะไม่สับสนวุ่นวายพลตีจับหลักไม่ได้ ถ, ถูกคนนั้นดึงมาทีถูกคนนี้ดึงมาที ไม่เรียนพุทธศาสนาก็ไม่ได้เรียนจากคนที่รู้จริงไม่ได้เรียนจากตำราที่ถูกต้องก็ไปเรียนจากอะไรก็ไม่รู้นั่นอย่างหนึ่งแล้วก็ผู้ที่เป็นมรุทธเทศหลงทางเสีเองเอก็เลยไม่รู้ชักนำพุทธบริษัทไปทางไหนไม่ได้ชักนำไปในทางที่พระพุทธเจ้าท่านชักนำไม่ได้สอนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอน พระไตรปิฎกก็มีเยอะแยะเอามาสอนเอามาพูดเอามาสอนเอามาเล่ากันฟังมันก็เราจะได้พระธรรมที่แท้จริงามรรคุเทศไม่หลงทางก็นำทางไปถูกต้องมันก็เป็นยาอยากปฏิปันโนทางทางพระสงฆ์ผู้นำทางชาวพุทธในระดับผู้นำสังคมทั้งชาวพุทธ ด, ด้วยกันที่เป็นผู้น่าสงสารซึ่งเป็นผู้ไม่รู้เป็นผู้ไม่รู้รแล้วก็อยากอยารู้ อยากจะรู้ให้ถูกต้องแต่ว่าก็เป็นนกหาฝั่งเพาะกลายเป็นนกหาฝั่ ง, ง, ก, ง, งก็เที่ยวบินว่อนหาฝั่งไม่รู้จะไปเจอฝั่งที่ไหนแต่ตลอเวลาที่เราอยางหาฝั่งไม่เจอก็เที่ยวบินไปบินไปบินไปทางโน้นทีบินมาทางนี้ทีพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอติรัตสีสักุลโอนกหาฝั่ง ชาวเรือสมัยก่อนนี้สมัยที่เขายังไม่มีเข็มทิศนะเขาไม่มีนกชนิดเด่นเรียกนกตีรทัศน์ศีสกุลูเขาจะพานกนั้นไปในเรือ ด, ด้วยอพอไปกลางทะเลไม่รู้ฝั่งอยู่ที่ไหนเขาก็จะปล่อยนกนั้นออกไปถ้านกมันหาฝั่งไม่เจอมันก็จะกลับมาเรือใหม่ถ้ามันหาฝั่งเจอมันก็จะบินไปมันบินไปทางนั้นแล้วมันจะไม่กลับมา อังเกตดูนกมันบินไปทางไหนแล้วมันไม่กลับมาก็แสดงว่ามันหาฝั่งเจอหาฝั่งเจอชาวเรือก็จะหมุนเรือไปทางนั้นขวเรือไปทางนั้นก็ต้องต้องเจอฝั่งว่านกมันนําทางไปก่อนแล้วถ้านกมันกลับมาแสดงว่าหาฝั่งไม่เจอทีนี้ชาวพุทธเราน่าสงสารแค่ไหนครับหน้าสงสารแค่ไหน ผู้ที่มีใจการุณาทาได้อย่างไรหลอกลวงเขาได้อย่างไรชักนำเขาไปในทางที่ไม่ใช่ทางได้อย่างไรถ้าตัวไม่รู้จริงก็ไม่ต้องสอนให้รู้จริงซะก่อนเลัวค่อยสอนก็ อ, อย่างน้อยก็อาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคือว่าอาศัยเข็มทิศของพระพุทธเจ้าวไว้ก่อนเพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ เราก็พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านพูดอย่างนี้เราความรู้ไม่ถึงก็พูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรที่พระพุทธเจ้าท่านไม่พูดก็ก็ไม่เอามาพูดขาทำตัวหน่อยก็สบายดีก็จะเป็นมรรคุเทศที่ไม่หลงทางชาวชาวพุทธก็จะได้ที่พึ่งที่อบุนใจท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ได้ข้อเดียวก็หมดเวลาใช้อีกแล้วครับ ได้ข้อเดียวครับพรุ่งนี้ครับไม่เป็นไรพรุ่งนี้ต่อสามีจิตปฏิปันโนสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วไปสวัสดีนะครับ